จะเดินผรอนญโยมสาธุชนทุกท่านนั่งสบายนะท่าไหนจะสบายที่สุดให้นั่งท่านั้นแต่อาตมารับรองว่าไม่มีท่าสบายเลยไม่มีท่าไหนสบาย ใครว่านอนสบายลองสักสองอาทิตย์ไหมไม่ต้องลุกไปไหนเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีท่าที่สบายยืนเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยทุกข ที่เราเปลี่ยนจากท่านั่งมายืนก็เพราะมันทุกในท่านั่งใช่ไหม ย, ยืนนานๆมันก็ทุกก็เปลี่ยนไปเป็นท่าเดินเราเปลี่ยนอันนี้ยอดหมเพื่อหลบทุกใช่ไหมนอนนานก็ทุกก็เลยลุกมานั่ง พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าทุกขังมันทุกอยู่กับพวกเราเนี่นแหละอยากฟังสติใช่ไหมพวกเรามีสติไหมใครไม่ได้เอาสติมาบ้างพวกเราอยู่แบบไม่มีสติเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องสตินี้พวกเราเหมือนเหมือนกับสัตว์อื่นๆเลยนะค่อยมีสติสตินี้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีงานทำสตินี้จะ ไม่ค่อยมีงานทำนะเขาจะนอนเช่เฉย อ, อยู่แต่ละวันถ้าพูดทำงานราชการมีการกดคอมกดเฟซบุ๊อยู่บ่อยๆสติก็จะอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาอยู่ใช่ไหมสตินี้ไม่มีงานทำนะ สตินี่เขาจะนอนขาไขว้แล้วก็ดูดบุหรีด้วยนะไม่มีงานถ้าเขาด่ามาแล้วใช่ไหมถ้ามีคนมนดาด่าเรานี่สติมาทันทีพอเกลียงงานเสร็จแล้วเขาก็ไปลักษณะที่เขามาแล้วก็ไป เราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมใช่หรือไม่อยากเห็นสติชัดเจนไหมเวลานักฟุตบอลเขาจะยิงลูกโทษเวลานักฟุตบอลเขาจะยิงลูกโทษทุกคนในเงียบสนิทเลยนะ รุนใช่ไหมรุนทั้งฝ่ายจะชุดทั้งฝ่ายที่ถูกชุดเงียบสนิทเลยฝ่ายจะชุดก็รุนให้เข้าฝ่ายที่ถูกชุดก็จะไม่ให้เข้าใช่ไหมตอนนั้นแหละสติของเราจะเป็นหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ ใช่ไหมเราไม่รู้นะพวกเราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้ามีสติไหมเอาลักษณะคุยกันน่ะเนี่ยเอามันถึงจะชัดเจนถ้าอให้อัตมาอธิบายไปมันจะไม่เข้าใจเราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้ามีสติไหม ยังไงถึงแบบมีตอนนั้นเราเพลินที่สุดตอนนั้นแหละเราเพลินที่สุดเราจะเบลอไปตามหูตามตาทีเนี้ยอยากถามว่าสติอยู่ที่ไหนตอนนั้น มันจะมีสามระดับสติธรรมชาติกำลังคุยกันอยู่เดี๋ยวนี้กับสติระลึกกับสติควบคุมวันนี้ชั่วโมงหนึ่งไม่พอเดี๋ยวนี้กำลังคุยกันเรื่อง ส, สติธรรมชาติสติธรรมชาติเราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้านี้ไม่มีสตินะ เป็นคนที่เมื่อร้อยใช่ไหมพอนึกอาการของตัวเองออกไหมสติแล้วบอกแล้วว่าเขาไม่มีงานทำเขาจะมาเฉพาะเราเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นถลาล้มทลาจะล้ม หรือว่ารถจะเชียวกันเขาก็จะมาแต่การมาของเขาเราไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็ไปการไปก็ไม่รู้อีกนี่เขาเรียกว่าสติธรรมชาติสติธรรมชาติเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าเขาก็ไปกับเราเนี่ยแหละแต่เขาไม่ได้อยู่กับเรา เขาจะอยู่ห่างๆเหมือนเราเหมือนเราเอาเด็กไปเที่ยวเราก็จะดูเด็กอยู่ห่างๆเขาก็จะตามเราไปทุกที่แหละแต่ไม่ได้อยู่ในร่างกายนะตามไปเราไปไหนไปดูอะไรเขาก็ไปแต่เพราะตัดสินใจจะซื้ออะไรสักสิ่งสักอย่างในเขามาเลยเขาเข้ามาในตัวของเราเลยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ ถ้าซื้อก็ตกลงกันตอนนั้นถ้าไม่ซื้อก็ตกลงกันตอนนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะออกไปนี่คือสติธรรมชาติสติธรรมชาติที่เรามีอยู่เขาจะนานๆทีเขาจะมาเราอยู่บ้านคนเดียวเป็นอิสระเต็มที่สติมีไหม ไม่มีใช่ไหมสตินี้เป็นตัวรู้ตัวหนึ่งนะสติกับจิตสติจะอยู่ขวามือระยะที่เราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้านะ่ะจิตเขาจะอยู่ซ้ายมือพอเราตัดสินใจจะซื้ออะไรสักสิ่งสักอย่างนี่สองตัวนี้จะมาบวกกันทันทีเลย มาบวกกันเป็นตัวรู้จะตัดสินว่าเอาหรือไม่เอาพอเข้าใจไหมทีเนี้ยอันนี้คือสติธรรมชาตินะถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะเพลินเลยสติเขาก็จะไปนอนอยู่อีกห้องหนึ่งเราก็จะนอนอยู่อีกห้องหนึ่งนะไม่ได้อยู่ด้วยกับเราเนะี่ ถ้าสมมุติว่าเราปวดท้องเขามาไหมมารู้สึกในการปวดท้องใช่ไหมนัม่นแหละเขาจะมาตอน ล, ลักษณะอย่างนี้ละ่ะสมมุติว่าปวดท้องเต็มที่เลยเขาอยู่กับเราละ่ะแต่เราไม่รู้เขาสมมุติว่าเราเล่นเ c e บุ๊ k เล่น เราก็จะมองหน้าจอใช่ไหมส่วนที่สําคัญที่เราจะมองให้ชัดเจนในหน้าจอนั่นคือสติถ้าเรากดเพลินไปเฉยๆก็ไม่ใช่ถ้าเราจ้องที่จะมองเนี่ยนั่นคือสติคืออาการของสตินี่คือสติธรรมชาติที่ทุกคนมีอยู่อ่าแต่ทีนี้่ะ อย่างที่สองคือสติระลึกสติระลึกนี่คือสติยังไงเรามีกายถ้าก็มีสมองถ้าไม่มีกายไม่มีสมองจะระลึกสติไม่ได้เลยตั้งสติตั้งสติตั้งสติเนี่ยเราเคยได้ยินกันประจำแต่เราไม่เคยตั้งสติ สติของนักปฏิบัติธรรมเขาจะระลึกระลึกนี่เป็นหน้าที่ของสมองแล้วก็ร่างกายนะระลึกพอระลึกปุ๊บมันเขามาเลยเขามาเลยแต่มันไม่มีตัวตนระหว่างจิตกับสติจิตนี่เขาจะ ไม่มีเวลาว่างเขาจะเสพอารมณ์อยู่ตลอดเวลาผิดกับสติมากสตินี้ไม่มีงานทํากิจนี้เสพอารมณ์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าที่เรารู้ตัวจากการตื่นนอนเขาไปแล้วเสีอารมณ์ข้างนอกแล้วยังไม่ได้แปลงฟันด้านหน้าเลยเข้าไปแล้ว เสพอารมณ์พอได้อารมณ์ถูกใจเขาก็หอบมาให้เราคิดใช่ไหมอารมณ์ไม่ถูกใจเขาก็หอบมาให้เราคิดตอนนั้นสติก็บวกกับจิตแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเขาจะท่องกายอันไหนไม่ถูกอันไหนไม่มีไม่ได้คิดมากในเรื่องถูกหรือไม่ถูก เขาก็จะเสพแล้วก็ปล่อยเสพแล้วก็ปล่อยเสพแล้วก็ปล่อยถ้าหนักมากเขาจะเอามาให้เราคิดอยู่ที่กายใช่ไหมเขาจะลากมาเลยมาให้พวกเราคิดอยู่นีคนนี้ทำไมมันบ้าจังมันมาน João, ここ fünf, ินทาเราเคยมีไหมเนี่ยเขาเขาจะมาเพราะ เสร็จแล้วเขาก็ทิ้งเลยเขาก็ไปเสพข้างนอกจิตเนี่ยจะเสพอารมณ์อยู่ตลอดตลอดตลอดเขาเป็นอย่างนี้มานานเสียนานแล้วตั้งกับตั้งกันแล้วนี่คือธรรมชาติของจิตธรรมชาติของสติกับธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาจะบวกกันเป็นบางเวลาเวลาที่มีปัญหาความคิดมา ก, มากๆเขาก็จะมาบวกกัน เพื่อคลี่คลายเรื่องนั้นๆให้จบไปแล้วเขาก็จะจากกันทีเนี้ยสติรละลึกเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายส่วนหนึ่งของสมองพวกคุณเคยเรียนหนังสือแล้วครูบอกว่าตั้งสติตั้งใจใช่ไหมตั้งใจตั้งใจบางที ฟังครูอธิบายอยู่เราก็นึกไปอนอนไปขึ้นกระท้อนไปขึ้นมะขามกินกับเกลือมีไหมมีนี่คือไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ตั้งใจคำว่าตั้งสตินี่ต้องระลึกด้วยสมองเนะี่ยสตินี่เขาจะอยู่ข้างๆเรานั่นแหละเขาไม่ไปไหนหรอก แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาอยู่ในร่างกายทีเนี้ยสติและเลือกนี่ต้องตั้งสตินะตั้งสติปุ๊บนี่เขาจะมาทันทีเลยมาแบบอัตโนมัติพอเราเลือกตั้งสตินี้เขาจะมาปุ๊บเลยถ้ายังไงจะรู้ว่าเขามา ภาวนามันถึงมีฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งตั้งสติขึ้นมาแล้วมองเข้าไปที่ฐานเขาก็อยู่ตรงนั้นเลยพอเราตั้งสติปุ๊บอันนี้สติระลึกนะสติธรรมชาติผ่านไปแล้วนะอันนี้สติระลึกสติระลึกนี้เรา ตั้งสติด้วยสมองแล้วก็ตั้งสตินี้เขาจะมาทันทีมาแล้วเรามองไปฉานที่ตั้งเลยที่เรากำหนดไว้ที่กายของเราถ้าเรายังจดจ่ออยู่นั่นแหละคือสติอยู่สติอยู่จิตก็อยู่พอเข้าใจไหม มันเป็นลักษณะนี้นะอันนี้เจสุติอันนี้เจสิติพอเราตั้งสติพวกทั้งสองสิ่งนี้บวกกันเช่เลยบวกกันเชฟแล้วเรามองเข้าไปฐานที่ตั้งคือช่วงหกเขาก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งสองเมื่อเขารวมกันแล้วเขาจะกลายเป็นความรู้สึกให้เรามองความรู้สึกให้ได้นาน นั่นคือทั้งจิตและสติบวกกันเป็นความรู้สึกความรู้สึกตัวนี้ฮะจิตกับสติบวกกันเราปฏิบัติอยู่จุดเดียวได้ทั้งพลังสติได้พลังจิตไปพร้อมๆกันเลยใครไม่เข้าใจถ้าคุณไม่มีพื้นฐานตรงนี้ พวกคุณจะไปฟังธรรมระดับไหนก็ช่างไม่มันมันมันไม่ไปคุณต้องมีพื้นฐานในคำว่าจิตเป็นสมาธิเสียก่อนคุณจะเรียนจบอภิธรรมประเดียนไหนก็ช่างถ้าคุณไม่ลงมาพื้นฐานของสติกับจิตเข้าสู่สมาธิแล้วคุณจะก้าวเดินในทางธรรมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น เบื้องต้นพวกเราต้องทำจิตให้เป็นสมาธิจิตที่จะเป็นสมาธิสติต้องเป็นพระเอกอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมสติต้องเป็นพระเอกรู้อยู่ตลอดเวลาสติตัวเนี้ยเราต้องตั้งสติพอเราละลึกปุ๊บเขาบวกกันเชะแล้วก็มองมาฐานที่ตั้งเขาก็บวกกันอยู่ตรงนี้ทำเป็นความรู้สึกละลึก เข้ามาเรื่อยๆตั้งสติเข้ามาตั้งสติแล้วก็มองตรงนี้ตั้งสติแล้วก็มองตรงนี้ตั้งตั้งสติแล้วก็มองความรู้สึกตั้งสติมองความรู้สึกนี้เขาเรียกว่าสติระลึกระลึกอยู่ลักษณะเอามันอยู่นั่นล่ะระลึกอยู่เรื่อยๆระลึกอยู่เรื่อยๆนาทีละครั้งนาทีละครั้งหรือนาทีหรือวินาทีละครั้งก็ได้ คำว่าปฏิบัติทางด้านจิตใจไม่มีพิธีรีจองนะพวกคุณไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับชุดขาวชุดดำไม่เกี่ยวที่ใส่กันนั้นเพื่อให้มันเป็นระเบียบเฉยๆผู้ที่จะรู้ธรรมคือผู้ที่มีสติถ้าขาดสติตัวเดียวจบเลยงานนี้จบเลย สติระลึกสติระลึกสติตั้งรละลึกตั้งสติครั้งเดียวได้สองลูกยิงนกยิงปืนนัดเดียวได้สองตัวเลยระลึกครั้งเดียวได้ทั้งสติได้ทั้งจิตเลยแต่จะอยู่กับเขาได้นานไหมคําว่านานนี้ต้องตั้งสติแล้วก็ยิงเข้าไปเรื่อยๆยิงความรู้สึกนะไม่ใช่ยิงอะไรนะ ยิ่งความรู้สึกและลึกสติยิ่งเข้าไปหาสติอยู่อันนี้ถึงจะถึงจะถูกท่องนะนี่คือสติระลึกถ้าพวกเราระลึกอยู่เรื่อยๆระลึกอยู่เรื่อยๆรยละลึกอยู่เรื่อยๆจิตใจก็จะอ่อนตัวจากการเสพอารมณ์ครั้งแรกจับมาครั้งแรกเขาก็ไปเลยจับมาครั้งแรกเขาก็ไปเลย มาตั้งไว้ที่ฐานแป๊บเดียวยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลยไปแล้วอันนี้คืองานถ้าพวกเราเบื่อนหน่ายตรงนี้พวกเราจะไม่เจินในทาง ก, การปฏิบัติธรรมออกรูปเขาออกไปดึงมาดึงด้วยการตั้งสติดึงมาดึงมาแล้วก็เอามาไว้ที่ฐานใช้สติมองอยู่ใช้สติรู้อยู่ใช้คาว่าใช้สตินี้ต้องระลึกระลึกทั้งทั้งที่เขาอยู่ ก็ให้รู้อยู่เอ๊ะเข้าใจไหมเนาะเขาอยู่ก็ระลึกไม่ใช่ว่าเออเขาอยู่อยู่เนาะเพลินไปแป๊บเดียวเท่านั้นไปแล้วเขาอยู่ก็ระลึกระลึกอยู่นั่นน่ะอยู่อยู่อยู่อยู่อยู่เราจะได้ทั้งสองอย่างถ้าระลึกอยู่เรื่อยเรื่อเรื่อืยืยเือ สติตัวนี้ก็จะมีพลังขึ้นกิดยิดยับที่จะคิดเขาตัดโฉกิดยิดยับที่ทยที่ตัดโชฉเลยนะเขาจะทันกันแต่ต้องอาศัยการฝึกเข้าใจไหมฝึกถ้าขี้เกียจขี้ค้านมันไม่ได้แบกได้หามอะไรเลยแค่ระลึกเข้ามาเท่านั้นก็จะขี้เกียจขี้ค้าน ew หลวงปู่หลวงมันบอกว่ายงไงเอาไปฆ่าให้อีแรงกินท่านมันขี้เกียจขี้ขันหลวงปู่หลวงบอกว่าเอาไปฆ่าให้อีแรงกินถ้าเรารดื้ออยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเขาจะทันกันครั้งแรกนี้เขาไม่ทันเอามาตั้งไว้ที่ฐานจิตออกไปเสพอารมณ์ตั้งเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีค่อยมนรู้สึกตัว แต่เราเราล่เาลึกอยู่เรื่อยๆเขาจะทีเข้าทีเข้าจนจิตยิบเย็บจะคิดไม่ได้เลยเขาตัดโชะเลยตัดโชะเลยนี่เขาเรียกว่าจเจริญสติด้วยการระลึกตั้งอยู่เรื่อยๆตั้งสติเนี่ยเราทำงานอันนี้อยู่นี้เรารู้ไหมว่าเรากำลังทำเราซักผ้าอยู่เรารู้ไหมเรากำลังซักผ้าเนี่ยคือ คือสติสติเหมือนนักมวยอะ่ะอยู่บนเวทีเขามีสติร้อยเปอร์เซ็นตนั่นะนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขามีสตินักมวยนี่มันจ้องอยู่ตลอดเวลามันมีสติอยู่ทุกวินาทีนะั่นะนะ่ะเขาจะชกปากมันนะความระมัดระวังตัวหนึ่ง ที่จะออกมาไปสู่ปากเขาหนึ่งสติมันจะขนาดไหนอะสติมันแก่กล้ามากนั่นคือสติที่ถูกตั้งแต่เขาก็ไม่รู้วันนี้เราจะสอนให้พวกเรารู้จักสติสติตัวเนี้ยถ้าเราเล่นเล่น ๆ, ๆอยู่เรื่อยๆเขาจะพัฒนาตัวขึ้นพัฒนาตัวขึ้นจนกลายไปเป็นสติควบคุม ถ้าสติตัวนี้พัฒนาตัวไปถึงสติควบคุมแล้วจิตจะกระดิกออกไม่ได้เลยจิตออกไม่ได้ก็คือเป็นโอกาสที่จะให้เขาสะสมพลังมันมันมันเอื้อกันตรงนี้สติควบคุมจิตไม่ได้ไม่ให้ออกไปเสพอารมณ์เขาจะเป็นโอกาสสะสมพลังของเขาโดยอัตโนมัติ เข้าใจไหมจิตก็จะสะสมพลังตายพลังไปพลังไปสติก็จะควบคุมรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่อันสุดท้ายของสตินี่นะถ้าจิตเป็นหนึ่งแล้วขาดจากอารมณ์ข้างนอกสมมุติขาดจากอารมณ์ข้างนอกขาดนี่หมายถึงยังไง คือไม่คิดไม่คิดเหมือนตั้งแต่ก่อนเขาก็จะแวบเข้ามานิ่งอยู่เนี่ยผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าเขาอยู่ถ้าผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่รู้เลยว่าเขาอยู่เขาขาดจากอารมณ์ข้างนอกนี้เขาจะไม่คิดเลยเมื่อไม่คิดแล้วเขาจะเขาก็จะมานิ่งอยู่ตรงนี้ สติตัวนี้จะไม่ขาดสายเลยเขาจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเขาจะรู้จิตอยู่รู้รู้อยู่รู้อยู่จิตก็สะสมพลังไปพลังไปเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะให้จิตของเราได้สะสมพลังเต็มที่ เราอยากจะบอกพวกคุณว่าเปิดโอกาสให้จิตใจของพวกเราสะสมพลังเต็มที่ด้วยความรู้สึกอยู่เข้าใจไหมนอ้เอเข้าใจไหมนอถ้าพวกคุณทำอย่างนี้พวกคุณแม่นยำมากในการปฏิบัติธรรมนะจิตเป็นหนึ่งเขาจะไม่เสพอารมณ์ไม่เสพเฉยๆนะ อย่างอื่นเหมือนเดิมหมดรู้หมดเทียงแต่ว่าจิตไม่คิดเท่านั้นอย่างอื่นนี้เหมือนเดิมทั้งหมดรู้หมดอย่างเก่านั่นน่ะแต่ไม่คิดพวกคุณว่าแปลกไหมอันนี้เราเปลี่ยนมาแล้วเราผ่านมาแล้วแล้ววางจิตกับอารมณ์นี้เป็นของหนะักมาก ถ้ามาถึงตรงนี้ถ้าจิตขาดจากอารมณ์จะรู้ว่าอารมณ์กับจิตนี้เป็นของหนะักพอจิตขาดจากอารมณ์ข้างนอกไม่คิดนี่ตัวของเรานี่เหมือนนุ่นเลยนะจะเหาะจะลอยเลยเดินนี่ยกเท้าสูงไม่ได้มันจะเหาะจะลอยไปเลยถึงว่าพวกเราติดอยู่กับอารมณ์เดี๋ยวเนี้ ถึงกลายเป็นคนหนักมากพอเข้าใจไหมจิตตัวนี้สติตัวนี้ถ้าจิตขาดจากอารมณ์เขาก็จะคอยดูคอยดูจิตเขารู้รู้จิตก็รู้สติก็รู้จิตรู้สติสติรู้จิตกลับไปกลับมาพอ นานเข้านานเข้าสติตัวเนี้ยจะพัฒนาตัวไปเป็นสัมปชัชญะทันทีอาการของสัมปชัชญะทีนี้อันนี้จิตยังไม่เป็นสมาธิเนี่ยอาการของสัมปชัชญะมันจะหยิบเอาอาการนิ่งของจิตนี่แหละมาแสดงตนแสดงเป็นอาการฟึบฟึบ ป๊บอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้เราไปอยู่กับอาการนั้นอาการนั้นคืออาการของสัมปชัญญะคือความรู้ตัวความรู้ตัวตัวนี้ถ้ามันพัฒนาตัวมาถึงตรงนี้เขาจะไม่ขาดสายเลยนะยกเว้นเวลาหลับเวลาเราจะหลับนี่หยุดเลย ถ้าภาวนามาถึงตรงนี้คนคนนั้นจะไม่ฝันเลยจะไม่ฝันถ้าฝันก็จะฝันได้หาะได้เหินฝันเห็นพระพุทธเจ้าฝันเห็นตั้งสิ่งที่เป็นมงคลฐานรามจกจบกระเบิดนี่ไม่มีแล้วไม่ฝันเลยเนี่ยเขา กลายเป็นสัมปชัญญะไปปุ๊บๆุ๊บุบุบ๊บ๊บเราอยู่กับอาการนั้นไปเฉยๆรู้ไปแค่เรารู้นี่ก็เป็นการทำงานทางภาวนาเต็มร้อยนะพอเข้าใจไหมตัวเนี้ยพอเรานอนเขาก็จะดับปุ๊บเลยนะตอนเช้ามารู้สึกตัวตัวนี้จะมากกว่าค่ยๆเลยนะปุ๊บๆๆๆบ๊บุบเลย สัมปชัญญะนี่เขาจะไม่วันหนึ่งหนึ่งเขาจะไม่ขาดแม้แต่วินาทีเดียวเขาจะต่อเนื่องตลอดตลอดตลอดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่อ ง, องของสติคำว่าสติเนี่ยนักจัดสร้างตัวเป็นพระอระหันเนี่ยตั้งแต่ก้าวแรก จนถึงเก้าสุดท้ายสติเป็นพระเอกตลอดการสติเป็นพระเอกตลอดการทีเนี้ยสัมปชัญญะเกิดขึ้นบางคนก็นานบางคนก็ไม่นานเข้าสู่การเป็นสมาธิสัมปชัญญะตัวเนี้ยมันจะปึ๊บปื๊บปื๊บบปืบป บ, ป บ, ปบอยู่สักพักหนึ่ง ถ้ามีอาการข้างเคียงอาการข้างเคียงผู้คุณรู้ไหมเคยไปรับยาจากหมอไหมหมอจ่า ย, ยาให้เขาบอกว่ารับวันอาการข้างเคียงนะไม่เมาหัวก็เมาหัวเกิดขึ้นใช่ไหมบางคนก็จะอ้วกบางคนกอ็อันนั้นไปคืออาการข้างเคียง สัมปชัญญะตัวนี้เขาเสมอต้นเสมอปลายแบบฟืบฟืบฟืบฟบฟืบอยู่นี่ยอาการข้างเคียงอย่างเช่นเกิดอาการหมุนเหมือนอะไรมาติดอยู่กับตัวเราของเรานี่มันให้มันหมุนหรือว่าแผ่นดินโยกเหมือนคลื่นทะเลนี่คืออาการข้างเคียง ถ้าอาการข้างเคียงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาการไหนให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจเลยว่าจิตก็มีพลังเต็มที่สติก็มีพลังเต็มที่อาการที่เขาเกิดขึ้นนั้นเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นสมาธิอาสั้นๆง่ายๆวันนี้เพราะเวลามันชั่วโมงเดียว ให้รู้เลยว่าถ้าอาการข้างเคียงเกิดขึ้นให้รู้เลยว่าทั้งสองอย่างนี้สะสมพลังได้เต็มที่แล้วเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นสมาธิเมื่อเขาพร้อมแล้วผู้เป็นเจ้าของจะทำยังไงหาที่นั่งดีๆหาที่นั่งที่ปลอดคนนั่งเลยไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งสิ้นขอให้คัดสมาธิอย่างเดียว พอเขาพร้อมแล้วแล้วกาสมาธิปุ๊บนี่ยกิจตัวเนี้ยตัวเป็นความรู้สึกกับความสัมปัทธัญญาอยู่ตรงเนี้ยคล้ายๆกับว่าเขาโยกสองสามครั้งเน่ะโยกปุ๊บปุบปบแล้วก็ปื้ดเลยลงเป็นสมาธิเลยโดยที่ไม่ชะลออยู่ระดับใดระดับหนึ่งขันนี้การสมาธิอุปจารสมาธิไม่ชะรอเลยนะ ลงไปถึงอัปปนาสมาธิจุดสุดท้ายคือสมถะเต็มภูมิเลยนะถ้าพวกคุณไม่มีสมาธิพวกคุณจะฟังทำขนาดไหนเขาก็ไม่ไปหรอกถ้ามีสมาธินี่พร้อมพร้อมแล้วที่จะรู้ทำทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นเราอยากให้พวกคุณฝึกสมาธิเสกวร ถ้าไม่มีสมาธินี่จะไปอ่านธรรมศึกษาธรรมยังไงก็ไม่ไปเนี่ยเราให้เบื้องต้นของพวกคุณสติเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากพวกคุณต้องให้ตัวเองระลึกอยู่เรื่อยๆตั้งสติอยู่เรื่อยๆเพราว่าตั้งสตินี่คือเรียกเรียกสติมาสติมาจิตก็มาอยากให้พวกเราทําวิธีนี้ เพราะอะไรถ้าพวกคุณบริกรรมพุทธโธดูลลมหายใจอย่างที่พระท่านเทศมันใช้เวลานานใช้เวลานานอย่างมากพวกคุณนั่งไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี้ได้ไหมได้แต่มันนานเอานั่งวันนี้อันได้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็หลับเถอะพรุ่งนี้ก็มาหนึ่งชั่วโมงหลับเถอะ มันก็ย้ำอยู่ที่เดิมนั่นแหละย้ำอยู่ที่เดิมใช้เวลา น, านานกว่าจิตจะสะสมพลังกว่าสติจะแก่กล้าขึ้นมาใช้เวลานา น, านพอจะเป็นสมาธิพวกคุณก็จะมานั่งนั่งแล้วระหว่างเอกกขาตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งไปถึงขั้นกะสมาธิปุจจาระสมาธิเนี่ย เป็นดินแดนของความเป็นนิมิต ท, ที่จะเกิดนิมิตคืออันตรายของผู้ปฏิบัติพวกคุณพวกเราก็จะไปยึดถือในนิมิตพอยึดถือในนิมิตแล้วก็สมาธิก็โซบลงไม่ไปเราห่วงพวกคุณตรงนี้ถ้าวิธีของเรานี้ไม่มีคำว่าชะรออยู่ ระดับได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีนิมิตเลยไม่มีนิมิตเลยเราสงสารพวกคุณนะพวกคุณก็มนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันยืนอยู่ในโอกาสเดียวกันธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศออกมาก็ได้ยินอันเดียวกันทำไมจะปล่อยโอกาสอันนี้ให้ทิ้งไปเสีย พร้อมที่จะรู้จะเห็นกันทุกคนพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าไม่ได้กางกันด้วยเพศด้วยวัยนะไม่ได้กางกันด้วยชาชันบัณฑนะเท่ากันไหมทุกคนมีสิทธิที่จะไขว่คว้าได้เท่ากันทุกคนอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปแต่ละวันละวั น, วนเสียไปเปล่าแต่ละวันเฉยๆให้รีบช่วยตัวเองเดี๋ยวนี้พวกเราวกบนอยู่กับ โลกคือดินแดนแห่งความไม่มีความจริงคือโลกแห่งความหลอกลวงใช่ไหมจะเปิดประตูเข้าหาหลักของความจริงก็ไม่มีวิธีการที่จะเข้าไปจัดการกับตัวเองวันนี้อาตารมาเรยเอามาฝากเดี๋ยวนี้พวกเราล่อนเล่พระเนจรมากี่กับกี่กันแล้วมาถึงวันนี้ก็ยังร่อนเล่อ ย, อยู่หาจุด จบของตัวเองไม่ได้เลยพระพุทธเจ้านี้คือใครพระพุทธเจ้านี้คือมาแก้คาผิดให้เป็นคาถูกมาแก้ของจริงให้ออกจากของปลอมพวกเราคิดผิดพูดผิดทำผิดมาตลอดเวลาถึงได้พากันเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไปสุขไปทุกข์ไปทุกข์ไปสุขสุขทุก ข, ข์ทุกข์กกอยู่แต่แล้วพบรรชาติพระพุทธเจ้ามาแก้ตรงนี้ พระพุทธเจ้านี่มาแก้ตรงไหนมาแก้การเกิดการตายให้พวกเรามาชี้ให้พวกเรารู้จากตัวเองคำว่าตัวเองนี่คือตัวเราใช่ไหมทั้งกายและจิตใจคือตัวเราเราไม่รู้ตัวเองเลย เราไม่รู้จักวิธีที่จะเข้าไปจัด ก, การกับตัวเองให้จบลงเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้ามาบอกมาชี้ให้พวกเรารู้จักตัวเองแล้วก็ให้รู้จักการปฏิบัติตัวเองรู้จักการนำตัวเองออกจากทุกพอเข้าใจไหม พวกคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นคารวาสพวกคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงพวกคุณอย่าคิดว่าคุณไม่ได้บวชนะธรรมะอันเดียวกันพวกคุณอย่าเอาสิ่งจอมปลอมซึ่งเป็นเปลือกของจิตใจมาหลอกตัวเองอยู่ตลอดรีบเข้าหาความจริงที่มีอยู่ ศาสนาในี่สอนให้พวกเราเข้าไปรู้จริงโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นความเป็นจริงสักอย่างเราให้โลกใบนี้โลกวัตจักรใบนี้ว่าโลกแห่งความหลอกลวงไม่มีใครเป็นอะไรจริงสักคนใช่หรือไม่พวกเราพากันมาเก่มาเกิดมาแก่มาเก็บ ม, ม, มาตายมาทุก าอะไรอาบอนในหลายสิ่งหลายอย่างนั่นคือความไม่รู้จริงความรู้จริงจะไม่มีพวกนี้เข้ามามีบทบาทในจิตใจแต่ละดวงเราจะบอกให้เป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานก็ไม่จริงจริงนิดเดียวมันก็จะหมดเวลาแล้วจากนั้นเราก็จะ ไปคนเดียวกิต ด, ดวงนี้เขาเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในวัฏจักรอันนี้หลายตลบหลายพบหลายกลับหลายกันนับไม่ทวนแต่ด้วยความไม่รู้ของพวกเราก็เลยว่าเราเพิ่งมามั้งเมืองมนุษย์ไม่ใช่เรามาอยู่ตลอดนา น, นานทีมาครั้งนานทีมาครั้งแต่ครั้งนี้มาเป็นชาติพิเศษหน่อยอยู่ๆก็โผล่ขึ้นในถ้ากลางของพุทธธรรมสังฆะ ซึ่งเป็นมหาสมบัติแห่งพระนิพพานพูดกันแบบเท่ๆเลยพระพุทธเจ้ามอบมหาสมบัติแห่งความเป็นพระนิพพานให้กับพวกเรานะ่แต่วพวกเราก็ไม่ได้อะไรอาวรนกับสมบัติชิ้นนี้เลยพวกเราจะไปเอาอีกสิ่งหนึ่งนะเดี๋ยวนี้นะมองข้าม ศาสนามองข้ามใจจะไปเอาอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้แต่ก็จะเอาใช่ไหมเราอยากเตือนสติพวกคุณเตรียมรูปแบบเลยนะวันนี้นะวันที่เราตายเราจะหยิบอะไรไม่ได้สักชิ้นเดียวเลยนะ สิ่งที่เราหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยสติปัญญามาใกล้ๆตัวก็ไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของของเราก็ใช่ละแต่มันจะเป็นนานไหมไม่นานไม่นานไม่นานนะที่เรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยได้วันเนี้ยเหตุมันเกิดจากอดีตชาติ ไม่รู้ว่าเราทำบุญอะไรไว้เอามารวมกันก็ได้มาเป็นร่างกายของมนุษย์ได้มาอยู่ในเมืองมนุษย์ชั่วระยะหนึ่งก็จะหมดเวลาถามว่าหมูหมากาไก่เขาอยากเป็นมนุษย์ไหมเขาอยากเป็นแต่เขาทำบุญไม่พอเขาก็ต้องไปนั้นก่อนพอเราได้ต้นทุนมาเป็นมนุษย์แล้วเราไม่สร้างความเป็นมนุษย์ต่อ ให้เป็นสวรรค์ให้เป็นพรหมโลกให้เป็นพระนิพพานเราก็จะกลับไปเป็นอย่างเดิมนั่นแหละเข้าใจไหมเราก็จะกลับไปเป็นอย่างเดิมนั่นแหละเป็นหมูเป็นหม้าเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นเป็นได้จิตดวงเนี้ยเขาไม่เคยปฏิเสธในการเกิดว่ากูเกิดเป็นหมาไม่ได้นะกูเป็นมนุษย์มาแล้วไม่เคยปฏิเสธเลย เพราะฉะนั้นจิตใจที่น่ากลัวที่สุดคือจิตใจที่ไม่ได้ฝึกหัดดัดนิสัยของเขาโดยโดยทางธรรมเมื่อไม่ได้ฝึกหัดแล้วเขาพร้อมที่จะเกิดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเราฝึกหัดดัดนิสัยด้วยถินด้วยธรรมด้วยสมาธรรมิด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเขาจะผ่านพวกนั้นไปเลย ผ่านไปบางคนก็ไปเป็นอินเป็นพรมแล้ว น, นะบางคนก็จบลงเข้าสู่พระนิพพานพวกเราไม่รักตัวเองเหรอถ้ารักตัวเองนะยิบให้รีบหยิบฉวยเสียนะทรัพย์สมบัติชิ้นเนี้ยไม่ใช่จะเจอกันได้ง่ายๆพูดกันเป็นกลับเป็นกันเลยนะพูดกันเป็นหลายกลับหลายกันเลยนะ เฉพาะผู้ที่บําเพ็ญตนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี้ใช้เวลานานไหมนานแต่นนแล้วพระองค์นานพวกที่จะบําเพ็ญตนมาเจอาศาสนาเนี่ยยิ่งเสียเส่ยงมากเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นชาติพิเศษของพวกเรา เจอด้วยความไม่ลึกคิดเลยว่าจะเจอาศาสนาแต่ก็เจอแล้วถามว่าได้อะไรจากาศาสนาบ้างแล้วได้อะไรจากาศาสนาบ้างแล้วาศาสนาเนี่ยพุทธมาก็เคยพูดหลายครั้งแน่นาศาสนานี้มันเป็นศูนย์รวมแห่งความดีทุก ระดับชั้นใครต้องการความดีระดับไหนให้มาคุยกับพระพุทธเจ้าคือมาศึกษาศาสนาอยากไปสวรรค์เหรอพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเลยอยากไปพรหมโลกเหรอพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องนี้อยากไปพระนิพพานเหรออันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาขออยู่อย่างเดียวให้พวกเรา สร้างเหตุให้ตรงคือการประพฤติปฏิบัติสร้างเหตุให้ตรงแล้วก็สร้างเหตุให้พอเขาไปแน่เดี๋ยวนี้จิตของพวกเราตกเป็นาธาตุของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาแต้มอยู่ในจิตดวงนั้นสามารถที่จะบังคับจิตนี้ให้ไปโกรธใครก็ได้เกลียดใครก็ได้ชอบใครก็ได้ใช่ไหย จฉาพยาบาทอาขาดจองเบนเต็มอยู่ในนั้นเราจะมากวาดขยะพวกนี้ออกไปอ่ะขยะพวกนี้แหละทําให้เรามีการเกิดการตายอยู่ตลอดไม่มีที่จบสิน้นไม่มีที่สิ้นสุดขยะพวกอยู่ในใจนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อใจตัวเองไม่ได้ระยะที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่เดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้บริหารจิตใจของเรา ทำให้เราไปชอบคนนั้นทำให้เราไม่ชอบคนนี้อันนี้คือเขาบริหารเองเดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปบริหารเองโดยใช้สติเข้าไปไม่ให้เขามีรักมีชังอยู่ในนั้นให้เขาเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเพื่อที่จะลบล้างอำนาจของพวกนั้นให้ตกไปเขาเรียกว่าภาวนาใช่ไหม เพราะฉะนั้นนั่งสมาธิปุ๊บลงไปเนี่ยจิตใจมันจะมากะซิกบกะทราบแล้วนะอันนั้นคือกิเลสร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอ๊จะพากันนั่งไปถึงไหนเนะ้ะพรุ่งนี้ก็จะได้ทำงานอยู่นะพอแล้วดีไหมเราว่าพอนะถ้าเรายังนั่งดูอยู่นี่มันก็จะมาอีกนะ นั่งไปนี้มันก็จะเกิดง่อยเบี้ยเสียขานะเลือดไม่แล่นเลือดไม่วิ่งไม่แล่นเนี่ยมันจะกลายเป็นง่อยไปพอแล้วพอแล้วพรุ่งนี้ก็มีงานทำเดี๋ยวมันจะง่วงนี่คืออานาจของกิเลสเขาอาศัยกิต ด, ดวงนี้มากสิบเราเพื่อที่จะทำลายความดีของเรา เคยเป็นไหมมาบ่อยๆก็เอ้าหมอนเอามอนมาใครไม่เข้าใจเรื่องของสติบ้างมีไหมไม่เข้าใจอะไรให้ถามนะความเข้าใจจะเป็นครูไปสอนพวกคุณระยะพวกคุณอยู่คนเดียวพอเข้าใจไหม พวกคุณเป็นั่งปุ๊บเนี่โ อ, โอ้พระอาจารย์ว่ายอย่างงี้นะใหงตั้งสติอยู่เรื่อยๆตั้งสติอยู่เรื่อยๆนั้นนั่นคือความเข้าใจถ้าพวกคุณไม่เข้าใจพวกคุณจะไปนั่งเฉยๆนี่มันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมานั่งหัวต่อนั่งปฏิบัติธรรมมันต้องเหมือนนักมวยอยู่บนเวทีจ้องอยู่ตลอดเวลามึงออกไปแล้วเหรอหรือมึงอยู่ไหนมึงคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวเนี้ย เนี่คือปฏิบัติธรรมไม่ใช่นั่งหัวตอนนะนั่งต่อสู้กับจิตที่เลวร้ายของตัวเองเข้าใจไหมยขยะมันเต็มหัวใจเต็มไปด้วยขยะเน่าเฟะทั้งนั้นมาไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันเราจะมากวาดชะล้างกันชาติเนี้ยให้มันจบลงด้วยสติสติสติตัวเนี้ย ถ้าจะมาพูดไปมันก็จะไม่เข้าใจนะหลังจากสัมปะชัญญะหลังจา ก, กจิตเป็นสมาธิแล้วเขาจะเป็นมหาสติมหาปัญญาเลยนะหมุนโอ้โ ห, โ, โ, หโลกที่ไม่เคยเจอก็เจอโลกที่ไม่เคยเห็นก็เห็นโลกที่ไม่เคยรู้ก็รู้พนสายตาของมนุษย์ไปแล้วโลกใบนี้ท่า น, นคือโลกของความจริง พอเห็นสิ่งเหล่านั้นไปเห็นไปเห็นไปเห็นไปการละวางมันจะอยู่ได้ไหมละ่ะมันต้องปล่อยมันต้องวางวางด้วยความรู้จริงไม่ใช่วางด้วยความนึกคิดนีเเ่เข้าใจไหมนุ้เข้าใจเนาะเราก็ใช้ภาษาแบบง่ายๆนะเพื่อที่จะให้พวกคุณเข้าใจ เดี๋ยวนี้พวกคุณไม่รักตัวเองพาตัวเองเพลิดเพลินไปทั่วแบบไม่มีสติถ้ารักตัวเองแล้วป้อนเข้าไปสิวิชาที่จะดับทุกข์ป้อนเข้าไปวิชาที่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่เจอกันง่ายๆศาสนาเราบอกแล้วถ้าหลุดชาตินี้เอาถ้าพลาดชาตินี้เราบอกว่า โอ้โหอีกนานอีกนานแล้วพวกคุณจะไปพึ่งใครที่ไหนกันใกล้ๆเนี่ยเอาอนาคตชาติคำว่าอนาคตชาติพวกเราก็จะนึกไปไกลอีกละมันไม่ไกลนะถ้าลมไม่เข้าไม่ออกอนาคตชาติทันที ถ้าลมไม่เข้าไม่ออกก็ปราศจากสามีภรรยาปราศจากลูกปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเลยที่เราเกิดมาถึงวันเนี้ยทำดีก็มีทำชั่วก็มีคิดดีก็มีคิดชั่วก็มีพูดดีก็มีพูดชั่วก็มีสรุปทั้งมวลจนถึงวันตายได้สองอย่างคือบาป ก, กับบุญ เอาไปได้แค่นี้สรุปตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายได้สองอย่างได้บาปกับบุญอันนั้นแหละคืที่เราจะเอาออกจากเมืองมนุษย์ไปได้ที่เราห่วงหาอะไรอาบอหึงหวงกันตลอดคือร่างกายใช่ไหมเส้นผมเส้นเดียวก็เอาออกไม่ได้เผาทิ้งเผาทิ้งอย่างเดียว เนี่ยเราถึงบอกว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งบำรุงบำเรอรักษาเขาเพื่อที่จะอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมจิตใจก็ส่วนหนึ่งร่างกายนี้เขาอยู่ได้ด้วยโภชนะอาหารจิตใจเขาอยู่ด้วยระบบของบาปและบุญทีนี้เราจะก้าวเข้าไปสิ่งที่เป็นมหาบุญมหาบุญมหากรุสุ คือความรู้จริงเห็นจริงเนี่ยพวกคุณไม่รักตัวเองนะนี่นะพวกคุณไม่รักตัวเองช่วงไหนที่เราตำหนิคนอื่นช่วงนั้นเรากำลังทำลายตัวเองช่วงไหนเราคิดด่าคนอื่นว่าคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเรากำลังทำลายตัวเองให้เข้าใจตรงนี้ เพราะอำนาจอันนี้เขามีตรงนี้อยู่ตลอดเวลาทุกคนนั่งอยู่ในนี้อาตจะมาดูได้เลยว่า ท, ทายได้เลยว่าไม่พลาดชักคนเคยด่าตัวเองเคยด่าคนอื่นในใจไหมเคยไหมแล้วก็บ่อยด้วยนะนี่จิตใจไม่มีระดับเขาต้องอยู่ตรงนี้ ฝึกไปให้เขาเหนือระดับนี้จะเป็นมหากุศลทั้งนั้นนะ่ะจิตใจเขาฝึกได้เพราะฉะนั้นเราจะเกิดขึ้นมาให้เสียชาติเสียชาติคําว่ามนุษย์นะ่ะเสียชาติคําว่าท่้ำกลางของพุทธธรรมะสังฆนะน่ะแบกบ้าอยู่ในมหาสมุทรของกองบุญแต่ไม่มีส่วนไหนที่จะตักตวงเอาเป็นของส่วนตัวสักนิดเลย เสียท่านะเสียท่าเราเกิดมาท้ำกลางของศาสนาตัวอย่างดูรูปสมเด็จยานบ้างรูปหลวงปู่มั่นบ้างรูปครูอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้จบมหาวิไลพรนิราพา น, านทั้งนั้นนั่นเนี่ยคือพากันช่วยตัวเองด้วย การทำความดีพากันช่วยตัวเองด้วยการระลึกสติให้ได้อยู่ตลอดพากันช่วยตัวเองให้รู้อยู่กับความรู้สึกถ้าจิตไปถึงสมาธินี่อาตมาไม่ได้พูดระดับนี้นะถ้าจิตทุกคนเป็นสมาธิได้แล้วเนี่ยโอ้โหสมาธิมันเป็นเครื่องมือของจิตใจ เป็นกำลังใจของจิตใจเป็นที่อยู่ของจิตใจเป็นที่เพิ่มศรัทธาทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปฟังทำอะไรมากกว่าการทำสมาธิได้วิธีที่ดีๆก็ไปห่ำหันตัวเองอยู่ที่บ้านนั่นละ่ะไม่ต้องไปวัดมันไปเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้อยู่นั่นน่ะนั่งอยู่บ้านคนเดียวก็เอาบาปมาใส่ใจ ด้วยความนึกคิดเข้าใจไหมอันนี้มิจเรื่องบาปเรื่องหันตัวเองทั้งนั้นเนีย่ยให้พวกเรารักษาตัวเองทั้งกายและใจร่างกายของเราเติมด้วยธาตุสีเขาเป็นธาตุสีมาประชุมรวมกันเข้าเขาอยู่ด้วยธาตุสีแต่ละวันต้องเติมน้ำเติมลมเติมไฟเติมดินเข้าไปทุกวันจิตใจ เราไม่ได้เติมความดีเติมวิชาดับทุกข์ให้เขาเลยปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราจะเสียการเราจะเสียการเกิดมาแล้วหูไม่หนวกตาไม่บอดก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลซ้ำยังแบกไว่อยู่ในถ้ำกลางของพุทธศาสนาก็มหาศาลของกองบุญอีก ถ้าเอาความจบลงของการเวียนไ่ายตายเกิดเนี่ยนั่นแหละคือประโยชน์สูงสุดผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดทางศาสนาคือทําตัวเองให้เป็นพระอาหารหันต์ได้ร่างกายอันเนี้ยเขาได้นิดเดียวหนาะทางพุทธศาสนาเขาได้ประโยชน์นิดเดียวคือไหว้พระสวดมนต์เดินจุกมนั่งสมาธิควบคู่กับจิตจิตที่เป็นพระอาหารหันต์นั่นแหละคือ จิตที่คว้าประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาได้เต็มร้อยเปรเซนตความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจเราจะมาค้นนอกวัฏจักรนี้ไม่เจอแน่นอนไม่เจอค้นยังไงก็ไม่เจอความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในใจพระพุทธเจ้าบอกว่าเปิดประตูใจให้สติเข้าไปค้นหาความสุขที่แท้จริง เราก็มาค้นหาความสุขนอกใจความสุขนอกใจพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขจอมปลอมความสุขที่ไม่มีมาตรฐานความสุขที่เจือปนด้วยทุกอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งจะให้พวกเราหัวเราะจนเต็มวันนี้คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม บางทีก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าบึง้งอันนั่นคืออาการของจิตจิตที่มันแสดงอาการออกมาไม่ต้องไปมองที่ไหนมองอากับกิริยาของกายนี้ก็ทะลุไปถึงจิตเลยเพราะฉะนั้นการบำรุงรักษาจิตใจมันเป็นเรื่องของสติถ้าสงสารตัวเองอย่าไปโกรธคนอื่น ถ้าสงสารตัวเองอย่าไปตำหนิคนอื่นการตำหนิคนอื่นการว่าคนอื่นคือการทำลายตัวเองคือการมอบบาปให้กับตัวเองถ้าเราตำหนิคนอื่นดานนน่าคนอื่นว่าคนอื่นเรากำลังเอาบาปใส่พานทอง กำลังจะมอบให้กับตัวเองนะเดี๋ยวนี้นะทั้งทั้งที่กำลังจะมอบแต่ก็ไม่รู้เลยว่ากำลังจะมอบบาปให้กับใจตัวเองเพราะฉะนั้นให้ให้ลเลือกให้ทีทีคิดให้ทีทีก่อนจะคิดกับคนอื่นในเรื่องที่ไม่ดีมีอะไรจะถามไหมคนรักตัวเองคือคนไม่โกรธคนอื่น คนดักตัวเองคือคนทําดีกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแม้ผู้นั้นเขาจะไม่พออกพอใจกับเราก็ช่างมันเถอะนี่คือพูดที่จะรอดไปได้พอเข้าใจไหมยกมือได้เลยนะครับคือบางครั้งนะพระอาจารย์มันมีเหมือนอะไรมาหมุนอยู่ตา้งข้างหลังอ่ะหมุนหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหรือเปล่าอยู่ๆก็จะเป็นนะคะ หมุนหมุนมุนติติติตต้จะรู้ได้เลยพระอาจารย์คืออะไรคะถ้าอาการไหนเกิดขึ้นในระยะที่ปฏิบัติธรรมนอกจากความรู้สึกให้อยู่กับอาการนั้นได้ถ้าเขาเป็นนะสมมติว่าเราอยู่กับความรู้สึกอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไป เอาสักพักหนึ่งหัวใจเต้นแรงขึ้นมาไปผิดปกติให้อยู่กับการเต้นของหัวใจได้ถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งเกิดขึ้นดูการเต้นของหัวใจก็จะมีอยู่สองอย่างนะอย่างที่หนึ่งคือเขาจะแรงผิดปกติแต่ก็ไม่ให้ตกใจนะอย่างที่สองคือเขาดับไปเลยเหมือนไม่เต้นเลย ทั้งสองอย่างนี้ให้เรารู้อยู่เฉยๆอาการไหนเกิดขึ้นก็ช่างสมมติว่าเรากำหนดความรู้สึกไว้ตรงนี้บางครั้งก็คล้ายๆกับมีอะไรมาแปะอยู่บางครั้งก็คล้ายๆกับว่ามันโล่งไปเลยนั่นคือการปฏิบัติธรรม ให้รู้อยู่ที่เดียวคือความรู้สึกถ้าเราอยู่กับความรู้สึกสมมุติว่าอันนี้เป็นความรู้สึกถ้าอยู่กับความรู้สึกได้นานๆเขาจะมองเห็นรอบข้างของเขาเป็นสีนั้นแสงนั้นเสียงนั้นแสงสีเสียงรอบความรู้สึกก็ให้ดูรู้อยู่เฉย ไม่ให้ขาดออกจากความรู้สึกนะถ้าเราไปหยิบเอาอาการที่เกิดขึ้นมาคิดจิตมันก็จะหยุดกึกเลยหยุดได้หนึ่งนาทีเขาก็จะเสื่อมลงมาอยู่ปกติธรรมดาทั้งที่เขาจะเดินขึ้นไประดับหนึ่งแล้วนะเขาจะเดินขึ้นไประดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้าเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นเขาจะหยุดกึกเลยนะทั้ ง, ท, งทั้งที่เขากำลังขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถ้าเราไปให้ความสำคัญรอบข้างปุ๊บเขาจะหยุดกึกเลยนะถ้าถึงหนึ่งนาทีเขาจะเสื่อมลงเลยเขาจะลดลงลดลงมาอยู่ปกติธรรมดาเลย <S <S เพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญสิ่งรอบข้าง นั่งสมาธิไม่ใช่ไม่เห็นสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่จะเอาสิ่งที่เราจะเอาคือความรู้สึกชัวโมงเดียวก็กะก็พูดให้สั้นๆชัดๆให้สั้นๆแนะ่ละเรื่องของสติมีใครไม่เข้าใจบ้างมีไหมมีใคร สตินี้จะเป็นพระเอกตั้งแต่ก้าวแรกจนก้าวสุดท้ายเลยนะที่สุดแห่งจิตใจนี่เหนือบรรยายนะพวกคุณเหนือบรรยายที่สุดแห่งจิตใจถ้าใครก้าวไปถึงตรงนี้เหนือบรรยายจริงๆธรรมะก็จะเกิดจิตดวงนั้นกลายไปเป็นธาตุธรรมกลายไปเป็นอมะตะธรรม เดี๋ยวนี้เขาเป็นอมตะของกิเลสอยู่เราพัฒนาไปจนถึงอมตะธรรมจิตดวงนั้นก็จบลงตรงนั้นาศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนต่อไปเลยไม่มีคำสอนต่อไปเลยถ้าจิตจบลงตรงนั้นนะ่ะไม่มีคำสอนเลยเพราะฉะนั้นเจตนาหลักของพระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราไปจบตรงนี้ พวกเรารออะไรกันอยู่เวลาที่มันหมุนไปคือเวลาที่หมดไปนะเวลาที่ยังหมุนไม่ถึงคือเวลาที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่ากี่นาทีไม่รู้ว่ากี่วันกี่เดือนมันจะจบลงวันที่จบลงเราก็เห็นอยู่แล้วมันบุ่นบายกับผู้ที่มีชีวิตอยู่ ต้องไปนิมนต์พระใช่ไหมทัพพังอปา ร, ราทังกามาตุโนพันเตอหังขมามิตุมเพหิตะยาปิเมคมิตะปัง เ, เอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเบปะมัตจิตตวามัตฉาโสนปะมุจจติ โสมังโลกังประภาเสติอาภามุตโตวจันทิมาชยสิทธิทัณงดาพังโสตีภาขยังสุขขังพลังสิริอายุจะบโนจะโปขังบุตติจะยาสับวาสตะวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสะปังคดังดักขันตุสัพพะปฏิวตา สัพพุทธานุปาเวนะสัพพัตมานุภาเวนะสัพพังคานุปาเวนะสัทสุธีพระวันทุเตครับพระอาจารย์เดียวขอให้ประจอกนะครับเพึ่งเป็นครวาญนะครับที่ได้มีสติสัมปชัญญะในให้กำลังใจกับผู้รฏิบัติทุกท่านนะครับ อเมันแปลกอยู่อย่างหนึงห่งเลยมีใครถามเลย <c oughs> ร, รู้กันหมดแล้วมั้งครับเห็นกันหมดแล้วมั้ง <c oughs> รู้ทำเห็นทำแล้วมั้งครับ <c oughs> ไม่ถามหรือว่า <c oughs> มันมีทั้งคําถามคําตอบอยู่ในนั้นหมดเลย <c oughs> ชัดชัดแจง้งชัดเจนที่พระอาจารย์สอนนั้นชัดเจนมาก คือคือทำตามที่พระอาจารย์บอกนะครับผมเองผมก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์บอกนะครับเอาส ต, ติกับสมาธิเนี่ยนะครับมาระลึกรู้อยู่ตรงกลางสงอกนะครับผมก็รู้อยู่อยู่งั้นแหละรู้ไปเรื่อยๆนะครับรู้โดยที่ว่าไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะรู้อะไรนะครับรู้มีทำอะไรคิดไปคิดไปตรงไหนก็ดึงกลับมาดึงกลับมาไว้กลางอกคิดออกไปก็ดึงกลับมาโซ่กับมัน พราะตอนนั้น <là> ไปถามอาจารย์บอกว่าย <laughs> ังไม่เห <hab> ็นได้อะไรเลยเพราะฉนั้น <Graduate> ปุ er ๊บกสติคุณอ่อนต้องมีสติเยอะๆผมก็เลยกลับมาทําสติตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนกล่าวว่าตื่นมาเมื่อไหร่ปุ๊บสติต้องอยู่กับตัวทันทีนะครับกอตื่นตื่นนอนมาก็มีสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตอนตื่นนอนนะครับจะทําอะไรอยู่ก็รู้รู้ว่าทําอะไรรู้ๆก็มาอยู่ตรงกลางหน้าอกดูกลางหน้าอกไปด้วยว่าโอ้ไม่ นะฮสติบวกกับอพุทละลึกอยู่ ล, ลึกอยู่ตรงกลางตรงอกอยู่ใช่ไหมอยู่นะอยู่นะก็รู้อยู่เนี่ยนะครับรู้ดูไปผมดูไปประมาณตั้งแต่ปีห้าหกถึงปีหกหกตรเห็นตัวผู้รู้ปีหกหกประมาณยี่หกเมษายเห็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ผูดตรงมามันเป็นเหมือนสภาวะธรรมหนึ่งวิ่ง ห, หมุนอยู่กลางหนังอกเข้ามาแทงบอกว่าเขาอยู่เนี่ยเขาไม่ ไ, ไปไหนให้ดูอยู่ตรงเนี้ยแหละเอนะาละเราก็มีที่อยู่แล้วก็ พอนั่นต่อมาปุ๊บก็ไปร่างพระาอาจารย์สั่งอยู่ตรงนี้พระอาจารย์อกเขาใช่เขาดูไปเรื่อยดูเข้าไปดูไปเรื่อยพอดูไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันประมาณปีหกเจ็ดนะฮะอันนี้ก็ลบแล้วแต่ต่อนนิดนึงพอปีหกเจ็ดเนี่ยช่วงวันที่ยี้าตุลาพระอาะจารย์ต่อสักมรเทศที่นี่ผมก็ได้คุยกับท่านเรื่องไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยนะครับว่าเราอยู่การณ์อกเนี่ยเรารู้หมดน่ทุกอย่างอะไรเขาทําอะไรขึ้นมาเขาจะรู้หมดเลย ไม่ว่าจะที่ที่โลง่งที่แจ้งอะไรอะมีสติแล้วก็รู้หมดนะครับรู้หมดมีอะไรบอกเราหมดจะได้ทุกอย่างนะครับเราก็หลงตัวผู้รู้พระอาจารย์ก็มาบอกว่าไม่ใช่นะผู้รู้จริงเขาจะรู้อิสระอันนั้นยังเป็นเรารู้อยู่เพราะนั่นแสดงว่าผมยังหลงตัวผู้รู้อยู่ที น, นี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าพอรู้ไปเรื่อยๆแล้วตัวผู้รู้ เ, เขาจะเหมือนมีอํานาจมีพลังมากนะครับมาทําให้เราเนี่ยหลงไปอยู่กับตัวผู้รู้ได้นะครับ ผมก็ดูอยู่อย่างนั้นนะครับตั้งแต่อ่าวันที่ยี่ห้าตุลานะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับดูไปจนถึงวันที่สิบสี่พิกาคือดูดูดเฉพาะแค่ตัวผู้รู้กับผู้ถูกรู้เนี่ยดูมันอยู่ข้างในนะครับใครทําไมเราทําไมไม่ใชผ่ผู้รู้ผู้รู้มันไม่ใช่เรารูมอยู่อย่างเนี้นะครับดูไปจนจิตเขาหมุนจนที่สิบสี่พิกานะครับจิตข้างในเนี่ยหมุนตื่นมาตอนประมาณที่สามสี่ห้านะครับ เขา่าจจะลุกไปเข้าห้องน้ํามันเหมือนตัวโยกตัวโคง้งแล้วก็มันหมุนหมุนอยู่กลางหมุอกเข้าไปจะไปล้างหน้าเปล่งาอาบน้ําก็โอ้ยมันยิ่งหมุนเข้ามาใหญ่ก็ได้แต่แปรงฟันล้างหน้าเสร็จก็กลับมาหาที่นั่งคูอเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าถ้าตัวโยกตัวโคง้งหรือจิตหมุนหรือว่าอะไรั่งที่มันมีสภาวะอะไรที่มันหมุนหมุนอยู่งในเนี่ยให้รีบหาที่นั่งผมเองผมก็หาที่นั่งทันทีเลยก็คือนั่งอยู่บนเตียงนอนนะกลับไปนั่งอยู่บนเตียงนอนนั่งท่าสมาธิ เราขัดสมาธิยังไม่ทันจะเรียบร้อยดีเลยครับจิตมันเริ่มหมุนเป็นกองจากแล้ ห, หมุนไปตลอดเหมือนเครื่องรักผ้าที่นหมุนเวียงตลอดที่หมุนแรงแรงแรงผมบอกเอา้าผมก็ถามว่าเอ้ยนี่คืออะไรเขาก็ไม่ตอบว่าอะไรนะครับมันก็เห็นหมุนอยู่นะันน่ะผมบอกเอาตายเป็นตายหมุนเพราะว่าหายใจเข้าแล้วมันดีดออกหายใจเข้าแล้วมันดีดออกมันก็หมุนอยู่อย่างนั้นนะ่ะหมุนมาบอกตายก็ตายยอมตายแล้ว นึกในใจว่านั่งสมาที่ตายก็ดีกว่าไปตายอย่างอื่นนอนตายอย่างอื่นนะครับก็นั่งนั่งมองมองจนจิตมันหมุนจนเขาดีด ต, ตัวออกพอเขาดีดตัวออกปุ๊บเขาพุ่งออกจตั้งแต่กลางตรงอกขึ้นไปตรง ผ, ผ่านลําคอแล้วเคลนไปตรงท้ายทอยพอไปถึงนี่ปุ๊บเขาบอกว่าเขาจบจิตแล้วจิตเขาเป็นอิสระผม อ, อ๋อถึงบาง อ, อ้อจิตเป็นอิสระแบบนี้เหรอ พอทั้งเรืงนั้นมาแนละ้วมันไม่เคยมันไม่เคยไปคิดเรื่องโลภโกดหลงอะไไม่มีมันมันมันเหมือนการตัดอะไรไปเลยทั้งหมดเลยอะ่ะผมบอกเฮ้ยนะั่นมันกันอะไรอะ่ะแล้วพอตนั้นเสร็จปุ๊บประมาณทักเก้าโมงเช้าของวันนั้นเนี่ยผมกล่าวว่าผมจะไปเก็บกระเป๋าเพราะเออกระเป๋าวันกลางอยู่กลางบ้านแล้วเขาบอกว่าใครเป็นพลเห็นกระเป๋าผมบอกก็ตาลูกระตาเห็นเขาบอกไม่ใช่ลูกระตาก็เป็นสิ่งที่เขาบัางคับให้เห็นถึงแบบไปมองเห็น มันมีผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นนะครับพอนั่งเสร็จตรงปุ๊บเขาก็จัด ก, การไอ้ตอนเที่ยงหมุนนะ่ะเขาดีดรูปเวทนาสัญญาตังขานออกมาก่อนกองนึงแล้วก็ดีดวิญญาณออกมากองนึงแล้วก็ดีดตัวผู้รู้ออกมากองให้ผมพิจารณาตอนตีสี่อ่แล้วพอตอนกลางวันเช้าก็ดีในลักษณะเนี้ยหลังจากที่พูดจบว่าใครเป็นผู้รู้นะ่ะนะครับดีดรูปเวทนาสัญญาตังขานออกมากองแล้วก็ดีวิญญาณออกมากองแล้วดีตัวผู้รู้ออกมากองเหมือนตอนเช้าเป๊ะเลย ให้ผมดูแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาเขาจบแล้วเขาไปอิสระแล้วเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับไอ้สามกองนี่ละเขาก็ดีแล้วเขาก็ระเบิดเหมือนก็ระเบิด น, น, นะครับเป็นแสงเป็นแบบเหมือนที่ประทัดระเบิด อ, อ่ะแสงไฟยีู่้ครับสักปุ๊บแล้วสีแดดอา้ า, ารย์เนี่ยเจอแสงของเขาแหละทับสีขาวนวลทับมองแบบโหผมบอกผมไปด้วยเลยอ่ะ นจิตสอบถามผมบอกคุณจะไปกับเขาอะ่ะเพราะมันดูแล้วมันประบายมันก้างกายนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่อยากอยู่แล้วเราก็จะไปกับเขาเขาบอกไปไม่ได้คุณยังไปไม่ได้คุณต้องอยู่ไปก่อนอยู่จนร่างกายนี้ครบวาระจิตที่เขาให้อยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยไปแต่นี้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเขาบอกแล้วเขาก็ไปหายไปเลยนะครับนั่นแหละครับพรผมก็ไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังมาทีเนี้ยครับว่า จิตผมเป็นแบบเนี้ลักษณะเนี้ยมันคืออะไรยังไงตอนนั้นผมก็ไม่กล้าบอกใครนะครับความเป็นเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือได้ว่าผมจากที่เคยคิดอะไรมากๆเนี่ยไม่ไม่ไม่คิดอะไรเลยนะครับมันไม่มีความคิดเลยผมเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณเจ็ดวันผมไม่ได้นอนเลยพอนอนปุ๊บ ก, ก็เดิง้งนอนปุ๊บเด้งขึ้นมานอนไม่ได้เพราะจิดเนี่ยมันจะไปรู้อยู่ตรงกลางกระหม่อมผมเลยกลางวนตรีต่างผมเนี่ยไปรู้อยู่ยงนั้นนหะครับ ร, รู้เห็นอะไรรู้ทำอะไรรู้หมดเหมือนส ต, ติสมัญญะ ม, มันดีมากเลยนอนไม่ได้เลยผมเป็นอย่างนี้ชดพอวันที่แปดมานี่คุยกับพระเสร็จปุ๊บก็พอหลังจากนั่นเสร็จปุ๊บก็เริ่มนอนได้แต่นอนได้ก็นอนแบบว่ามันเป็นออโต้นะพอตีสามปุ๊บตื่นตีสามปุ๊บตื่นตั้งแต่นั่นมา ก, ก็แบบนี้ตลอดเลยนะครับ ไม่มีความคิดไม่มีอะไรเลยคืออยู่เฉยๆสงลงว่างนิ่งๆแบบว่าไม่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงอะไรคือจิตเขาเป็นเหมือนอิสระจริงๆอ่ะครับไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเคยกังวลต่างๆเรื่องกังวลต่างๆมันก็ไม่กังวลอะไรเลยแล้วเพราะว่ามันไปเห็นแล้วว่าร่างกายเนี้ยมันเป็นแค่เรามาอาศัยเขาเฉยๆเดีย๋ยวเราก็ต้องคืนเขาแล้วมันก็เลยวางวางทุกอย่างวางทุกอย่างนะครับ นี่หะก็อยากว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับทุกคนมีจิตทําได้เหมือนผมทุกคนนะฮะอยากให้ทำํำหากจะให้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติโดยวิธีการที่ว่าระลึกอยู่นะครับเอาสติหมวกจิตกกจเนี่ยมาอยู่เป็นระลึกระลึกอยู่ตรงกลางตรงอกเนี่ยดูไปตรงนั้นะ่ะดูไปเรื่อยเรื่อยครับครับพอดีวันนี้มันมันผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาได้ได้ได้มาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าเพื่อาจารย์บอกเพราะให้ให้ให้ให้บอกกับอ่าผู้มาปฏิบัติธรรมไม่ลืมเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับทุกคนทุกคนในที่นี้มีสิทธิ์ทำอะไรทุกคนแล้วเขาก็อยู่ในในในายกายของคนทุกคนนแหละทุกคนบางทียังติตดติดตัวอยากอยากรู้อยากเห็นอยากบรกรลุอยากอะไรเงี้ยลองวางนะครับมาปฏิบัติเราเพื่อมาละมาวางนะครับครับครับแค่นี้ครับสาธุครับ มันยังมีคนทำได้อยู่นะเราสงสารพวกคุณสงสารที่นั่งอยู่นี้ไม่เท่าไหร่นะสงสารที่นั่งกันอยู่นี้ไม่เท่าไร่สงสารตอนพวกคุณออกจากเมืองมนุษย์ไปพวกคุณจะไปยังไงจะไปกันยังไงไม่มีญาติพี่น้องไปด้วยสักคนเลย ร่างกายนี้ถูกเผาจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายนั่นคือเราแล้วจะไปไหนกันบางคนทำดีมาพอสมควรเขาก็ให้เผาร่างกายของตัวเองเสียก่อนนะเขาถึงให้ไปบางคนทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็ไม่ให้เผาเลยเขาลากไปเลย ใจดวงนี้เขาอยู่ได้สองที่เท่านั้นแ่ะเขาอยู่ได้ด้วยอำนาจบาปกับอำนาจบุญแต่สองอย่างนี้ต่างกันมากถ้าเป็นรสชาติเนี่ยรสชาติของบาปก็รสหนึ่งนะรสชาติของบุญก็รสหนึ่งต่างกันมากต่างกันทั้งรสชาติต่างกันทั้งรูปแบบ ต่างกันทั้งสถานที่พวกเราถ้าไม่สงสารตัวเองพวกเราจะไปทำอะไรจะเปอดควนอยู่จุดที่มันหมดโอกาสแล้วใช่ใช่ไหมเราบอกว่าไม่ใช่ไปกอดเข่าอดควนตอนที่มันหมดโอกาสแล้ว มันไม่ใช่แล้วตรงนั้นอ่ะพวกเราเคยได้ยินคำว่าสัมภเวสีไหมเขาทำหน้าที่อะไร ไ, ไปยืนกลืนน้ำลายอยู่ที่หน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหม เขาเล่ล่อนพระเนจรนะคำว่ า, าสัมภเวสีเนี่ยเรากลัว่าพวกเราจะไปเป็นอย่างนั้นอา้าวพูดกันแบบง่ายๆภัยที่ใกล้ตัวที่สุดเดี๋ยวนี้คือการแก่การเก็บการตายภัยที่ใกล้ตัวที่สุดภัยที่ใกล้ตัวออกไปจากตรงนี้คืออบายภูมิ ตรงนี้มันมันเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะเกิดแก่เก็บตายนี่นะเราต้องประเชิญมันจนถึงวันสุดท้ายแต่คำว่าอาบายภูมินี่คือเลี่ยงไปได้เลี่ยงไปได้ด้วยคุณงามความดีเลี่ยงไปได้ด้วยอำนาจของบุญกุศลถ้าถ้าเลี่ยงตรงนี้ได้แล้วก็เออยังพอสบายหน่อยแต่ก็ถือว่าจบไหมไม่จบ เรายังจะเป็นนั้นเป็นนี้ต่อไปอยู่คำว่าเจอศาสนานานๆครั้งเนี่ยคาว่า น, านานนี้เราจะไปเกิดเป็นอะไรอยู่อ่นับไม่ท้วนเลยใช่ไหมสัตว์ทุกประเภทอย่าคิดว่าเราเป็นไปไม่ได้นะร้อยเปอร์เซนที่จะเป็นไปได้แล้วถ้ารู้ว่า ตายจากตรงนี้ไปแล้วจะไปเป็นหมาในชาติต่อไปเนี่ยจะแก้ไขกันยังไงเอามันต้องมาแก้ไขอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปแก้อยู่ตรงนั้นมันต้องแก้อยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องแก้ให้จบตรงนี้ไม่ใช่มาไปแก้ที่ตาเหตุเนีย่ยเราสงสารพวกคุณพวกคุณยัง ยังไม่รู้อะไรเลยน่ะเดี๋ยวนี้นะ่ะยังไม่รู้อะไรเลยมีความถือถือตัวอยู่อย่างเดียวว่าตัวตัวเองดีเท่านั้นล่ะอย่างอื่นนี้ไม่รู้เรื่องดีที่เราบอกว่าตัวเองดีเนี่ยมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่เลยอย่ะ เราถึงมอว่าเออชาวพุทธเนี่ยคุณสมบัติไม่พอที่จะเป็นชาวพุทธคุณสมบัติผู้ที่เป็นชาวพุทธได้เตรียมรูปแบบคือมีทานมีศีลมีภาวนานะี่ยถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ตลอดเรื่อยเลื่อ ย, อยจนไปถึงวันตายพอตายปุ๊บคุณสมบัติอันนี้เป็นคุณสมบัติของ ผู้ที่จะไปเป็นเทวดาทันทีเข้าใจไหมโน้มันจะแปลสภาพเป็นคุณสมบัติของ ผ, ผู้ที่จะไปเป็นเทวดาคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ถ้าเราสร้างสามอย่างนี้ให้เต็มนั่นล่ะคือคุณสสมบัติผู้ที่จะไปเป็นเทวดาในอนาคตชาติ เราถึงสงสารพวกคุณเอ๊ะไม่เข้าใจนอกจากไม่เข้าใจแล้วยังมาถือเนื้อถือตัวให้เป็นทิฏฐิมานะเหยียดย่ำตัวเองให้ต่ำลงอยู่ตลอดเวลานี้เอ๊ยังไงยังไงยังไงกันมันไม่มีเวลาเนาะถ้ามีเวลาก็จะชี้แจงให้ละเอียดเลยนะวันนี้นะ เอาเมล็ดงามมาทุบให้แหลกตะจุยเลยวันนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะสงสารสงสารกันความทุกข์ที่ไม่มีใครช่วยก็คือความทุกข์ในอนาคตชาติเดี๋ยวนี้ยังพอที่จะขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้ได้ถ้าออกจากตรงนี้ไปแล้วมือปาดน้ำตาอย่างเดียว ปาดน้ำตาอย่างเดียวไม่มีจุดไหนที่จะไปยื่นมือขอความช่วยเหลือจากใครเลยเราถึงบอกว่าเอ๊ะยังไงกันยังไงกันเราก็สงสารเต็มหัวใจนะแต่พวกคุณก็ยังหล่อหล่อแหล่ๆอยู่เออละเหออยู่ออกไปแล้วให้คิดให้ดีนะ เอาละพอมีความสุขความเจริญทุกคนนะ